พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุญนักะเรสีมนุษย์กระสั์พราหมณ์บางพวกเหล่านี้จำนวนมากในโลกนี้ พากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายปุณนนกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชายัญคําว่าบางพวกเหล่านี้ในคําว่าฤาษีมนุษย์บางพวกเหล่านี้นนนได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคาว่าบางพวกเหล่านี้ นี้เป็นคากล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าเรืีอธิบายว่าคนพวกใดพวกหนึ่งที่บวชเป็นเรือศีได้แก่อาชีวกนเนื้อครนฉดินดาบทเรียกชื่อว่ารือศีพวกมนุษย์ตรัสเรียกว่ามนุษชรวมความว่าเรือศีมนุษชะบางพวกเหล่านี้คำว่าปุณณะ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 คนพวกใดพวกหนึ่งที่เกิดในวรนเกษัตริย์คําว่าพรามได้แก่ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้เจริญคําว่าแก่เทวดาทั้งหลายอธิบายว่าพวกอาชีวกเป็นเทวดาของสาวกของอาชีวกที่ทั้งหลายเป็นเทวดาของพวกประพฤติสาพรถคนสัตว์และสิ่งเหล่าใดผู้ควรแก่ทักษิณาของชนเหล่าใด คนสัตว์และสิ่งเหล่านั้นเป็นเทวดาของชนเหล่านั้นรวมความว่ากระจัดพรามแก่เทวดาทั้งหลายคำว่าจำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายันอธิบายว่าทายรรมได้แก่จีวอนบินตบาดเสนาสนะและกิลานปัจจัยเพศปริขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีบเรียกว่ายันคำว่าพากันบูชายันอธิบายว่าชนแม้เหล่าใดสแสวงหาค้นหาเสาะหายันคือจีวรบินดาบาตเศนาชนะและกีฬานปัดใ จ, จเพศสัปริขานข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบ ชนแม่เหล่านั้นชื่อว่าบูชายันชนแม่เหล่าใดปรุงแต่งยันคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจใจเพศบริขารข้าวน้ำที่นอนที่พักเครื่องประทีบชนแม่เหล่านั้นชื่อว่าบูชายันชนแม่เหล่าใดให้สละบริจาคยันคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ กีฬาณปัจจัยเพศสารบริการข้าวน้ำที่นอนที่พักอาศัยเครื่องประทีบชนแม้เหล่านั้นก็ชื่อว่าบูชายันคําว่าจํานวนมากอธิบายว่ายันเหล่านั้นมีมากผู้บูชายันเหล่านี้มีมากหรือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณามีมากอย่างนี้คําว่าในโลกนี้ได้แก่ในมนุษย์สิยาโลกรวมความว่า จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายันคําว่าหวังในคําว่าปุณกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อธิบายว่าหวังคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังการได้รูปการได้เสียงการได้กลิ่นการได้รสการได้โพธพภะการได้บุตรการได้ทรัพย์การได้ยศการได้ความเป็นใหญ่ การได้อัตภาพในตระกูลกษัตริย์มหาศาลการได้อัตภาพในตระกูลพราหมหาศาลการได้อัตภาพในตระกูลข้าบดีมหาศาลการได้อัตภาพในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกาในหมู่เทพชั้นดาวดึงในหมู่เทพชั้นยามาในหมู่เทพชั้นดุสิตในหมู่เทพชั้นนิมมานรดีในหมู่เทพชั้นปรณินมิตรวสวดี การได้อัตภาพในหมู่เทพชั้นโภมกาญิการวมความว่าหวังคําว่าปุณกะความเป็นอย่างนี้อธิบายว่าหวังคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังการบังเกิดอัตภาพในสถานเหล่านี้คือการบังเกิดอัตภาพในตระกูลกษัตริย์มหาศาลนี้การบังเกิดอัตภาพในตระกูลข้าพดีมหาศาลนี้ การบังเกิดอัตภาพในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกาเหล่านี้การบังเกิดอัตภาพในหมู่เทพชั้นเดวดึงเหล่านี้ในหมู่เทพชั้นยามาเหล่านี้ในหมู่เทพชั้นดุสิตเหล่านี้ในหมู่เทพชั้นนิมมานรดีเหล่านี้ในหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีเหล่านี้ในหมู่เทพชั้นปรุมกายิกาเหล่านี้รวมความว่าปุณกะ ชนเหล่านั้นวางความเป็นอย่างนี้คําว่าอาศัยชราจึงพากันบูชายันอธิบายว่าอาศัยชราคืออาศัยพยาธิอาศัยมรณนะอาศัยโศกะปริเทวัตุกขโทมนัตอุปายาตชนเหล่านั้นอาศัยชาติจึงบูชายันเพราะเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยชราจึงบูชายันเพราะเหตุนั้น ชนเหล่านั้นอาศัยชราจึงบูชายา mantra, ชัญเพราะเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยพยาธิจึงบูชายัญเพราะเหตุนั้น Parker, ชนเหล่านั้นอาศ ah ัยพยาธิจึงบูชายัญเพราะเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยมรณะจึงบูชายัญเพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยมรณะจึงบูชายัญเพราะเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยโศกปริเทวะทุกขโทมานตุปายาต จึงบูชายันพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยโศกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตจึงบูชายัญเพระเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยคติจึงบูชายันพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยคติจึงบูชายันพระเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยอุปัตจึงบูชายัญเพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยอุปัตจึงบูชายันพระเหตุใด ชนเหล่านั้นอาศัยปฏิสนธิจึงบูชายันพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยปฏิสนธิจึงบูชายันพระเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยพบจึงบูชายันพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยพบจึงบูชายันพระเหตุใดชนเหล่านั้นอาศัยสงสารจึงบูชายันพระเหตุนั้นชนเหล่านั้นอาศัยสงสารจึงบูชายันพระเหตุใด ชนเหล่านั้นอาศัยวัตตะจึงบูชายัญเพระเหตุนั้นคือหวังเยื่อใหญ่เข้าใกล้พัวพันน้อมใจเชื่อรวมความว่าอาศัยชราจึงพากันบูชายัญด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณะฤาษีมนุษย์ประศัตรพราหมณบางพวกเหล่านี้จํานวนมากในโลกนี้ พาคันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายปุณกกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพาคันบูชายันท่านปุณกกะทูลถามดังนี้รรยสีมนุชะกระัตร พรามบางพวกเหล่านี้จํานวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุก์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในการบูชายัญได้ข้ามชาติและชราได้บ้างไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด คำว่าบางพวกเหล่านี้ในคําว่าฤาษีมนุษย์บางพวกเหล่านี้อธิบายว่าคําว่าบ้างไหมในคําว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในการบูชายัญบ้างไหมเป็นคําถามด้วยความสงสัยเป็นคําถามด้วยความข้องใจเป็นคาถามสองแง่เป็นคําถามมีแง่มุมหลายหลากว่า อย่างนี้หรือหนามิใช่หรือหนาเป็นอะไรเล่าหนาเป็นอย่างไรเล่าหนารวมความว่าบ้างไหมคนผู้บูชายันตราเรียกว่าชนเหล่านั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาญญัิรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคชนเหล่านั้นบ้างไหม คำว่าผู้ไม่ประมาทในการบูชายันอธิบายว่ายันนั้นแหละตราดเรียกว่าทางแห่งยันเปรียบเหมือนอริยมรรคชื่อว่าทางแห่งอริยะเทวมรรคชื่อว่าทางแห่งเทวะพรหมมรรคชื่อว่าทางแห่งพรหมชั้นใดยันก็ชื่อว่าทางแห่งยันชั้นนั้นเหมือนกันคำว่าผู้ไม่ประมาทอธิบายว่าผู้ไม่ประมาท คือผู้ทำโดยเอือ้อเฟื้อทำติดต่อทำไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ละความพอใจไม่ทอดทุระในทางแห่งยันได้แก่เที่ยวไปเพื่อ ย, ยันนั้นมากไปด้วยยันนั้นหนักในยันนั้นเอ็นไปทางยันนั้นโอนไปทางยันนั้นโน้มไปทางยันนั้นน้อมใจไปในทางยันนั้นมีทางแห่งยันนั้นเป็นใหญ่รวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในการบูชายันชนแม้เหล่าใดแสวงหาค้นหาเจาะหายันคือจีวอนิบนทบาทเสนาชนะและกีฬานปัจใจเพศบริคารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบเป็นผู้ทำโดยเอื้อเฟื้อทำติดต่อ มีทางแห่งยันนั้นเป็นใหญ่ชนแม้เหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทในการบูชายันชนแม้เหล่าใดปรุงแต่งยันคือจีวอบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพสัชบริขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบเป็นผู้ทาโดยเอื้อเฟื้อ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 ล่วงเลยชราและมรณะได้บ้างไหมคำว่าผู้นิรทุกเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคากล่าวด้วยความเคารพคาว่าผู้นิรทุกนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าผู้นิรทุกเดือกข้ามชาติและชราบ้างไหมคำว่าข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้นในคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นคือทูลขอปัญหานั้นทูลอัญเชิญปัญหานั้นทูลให้ประกาศปัญหานั้นขอได้โปรดตรัสบอกปัญหานั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจกาบัญญัติ คำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอโปรดตรัสเพอโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงทูลถามว่า ท่านปุณณะทูลถามดังนี้เรษีมนุษชะประสัตรพรามบางพวกเหล่านี้จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรุกุกชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในการบูชายันได้ข้ามชาติและชราได้บ้างไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกะกชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกาม เราขอกล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันเป็นผู้กำหนัดยินดีในพบข้ามชาติและชรลาไปไม่ได้คำว่าหวังในคำว่าชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันอธิบายว่าหวังคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายการได้รูปการได้เสียงการได้กลิ่นการได้รสการได้โพธพะ การได้บุตรการได้พัญญาการได้ทรัพย์การได้ยศการได้ความเป็นใหญ่การได้อัตภาพในตระกูลกษัตริย์มหาศาลการได้อัตภาพในตระกูลพรามมหาศาลในตระกูลข้าปดีมหาศาลการได้อัตภาพในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกาในหมู่เทพชั้นพรหมกายิการวมความว่าหวังคําว่าชื่นชมได้แก่ชื่นชมยัน ชื่นชมผลหรือชื่นชมบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาชนทั้งหลายชื่นชมยันเป็นอย่างไรคือชนทั้งหลายชื่นชมคือยกย่องพันนาสรรเสริญว่าเราให้ของน่ารักเราให้ของน่าพอใจเราให้ของประนีเราให้ของตามการเวลาเราให้ของสมควรเราเลือกให้เราให้ของไม่มีโทษเราให้เป็นประจำ เราเมื่อกำลังให้จิต้อเลื่อมใสชนทั้งหลายชื่นชมยันเป็นอย่างนี้ชนทั้งหลายชื่นชมผลเป็นอย่างไรคือชนทั้งหลายชื่นชมเพื่อยกย่องพานานาสันเสริญว่าเพราะยันนี้เป็นต้นเหตุจากได้รูปจากได้เสียงจากได้กลิ่นจากได้รถจากได้โพธิภะจากได้อัตภาพในตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาล ในหมู่เทพชั้นโรมกายุกาชนทั้งหลายชื่นชมผลเป็นอย่างนี้ชนทั้งหลายชื่นชมบุคคลผู้ควรแกทักษณาเป็นอย่างไรคือชนทั้งหลายชื่นชมยกย่องพรนนาสรรเสริญว่าบุคคลผู้ควรแกทักษณาคือบุคคลผู้ควรแกทักษณาถึงพร้อมด้วยชาติถึงพร้อมด้วยโคดชำนานมนทรงจำมนไดเรียนจบไตรเพศ พร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เจตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตาตศาสตร์และการทํานายลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีล ส, สมาธิ ปัญญาวิมุตวิมุตติญาณทัศนะชนทั้งหลายผู้ควรแก่ทักศนาเป็นอย่างนี้รวมความว่าหวังชื่นชมคําว่ามุ่งหวังอธิบายว่าชนทั้งหลายมุ่งหวังการได้รูปมุ่งหวังการได้เสียงการได้กลิ่นการได้รสการได้โพธพภะการได้อัตภาพในตระกูลกษัตริย์มหาศาล มุ่งหวังการได้อัตภาพในหมู่เทพชั้นพรหมกายิการวมความว่าหวังชื่นชมมุ่งหวังคำว่าจึงพากันบูชายันอธิบายว่าจึงพากันบูชายันคือจึงพากันให้สละบริจาคจีวอนบินตาบาดเสนาสนะคีลานปัจจัยเพศบริขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบรวมความว่าชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันคำว่าปุณณะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรี่มพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าว้วยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจธิกาบัญญัติรวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุญนกะคำว่าเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกามอธิบายว่าเพราะอาศัยการได้รูปจึงมุ่งหวังกามเพราะอาศัยการได้เสียงจึงมุ่งหวังกามเพราะอาศัยการได้อัตภาพในหมู่เทพชั้นโรมกายิกาจึงมุ่งหวังคือปรารถนากามรวมความว่าเพราะอาศัยลาบจึงมุ่งหวังกาม คำว่าเราขอกล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัญเป็นผู้กำหนัดยินดีในพบข้ามชาติและชราไปไม่ได้ได้แก่ผู้บูชายันตรัดเรียกว่าชนเหล่านั้นคำว่าผู้ประกอบการบูชายัญได้แก่ผู้ประกอบเพื่อผู้ขวนขวายฝักใ่ใยใจในการประกอบการบูชายัญคือประพฤติในการบูชานั้น มากด้วยการบูชานั้นหนักในการบูชานั้นเอ็งไปในการบูชานั้นโอนไปในการบูชานั้นโน้มไปในการบูชานั้นน้อมใจไปในการบูชานั้นมีการบูชานั้นเป็นใหญ่รวมความว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชาหยันคําว่าเป็นผู้กําหนัดยินดีในภพอธิบายว่าตั้นหาตรัสเรียกว่าความกําหนัดในภพ ได้แก่ความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพปัญหาในภพความเยื่อใยในภพความกระหายในภพความเร่าร้อนในภพความลุ่มหลงในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายชนเหล่านั้นกำหนัดติดใจคลั่งไคล้หลงไหลหมกมุ่นติดข้องผัวพันในภพทั้งหลายด้วยความกำหนัดในภพ รวมความว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัญเป็นผู้กำหนดยินดีในพบคำว่าเราขอกล่าวว่าข้ามชาติและชราไปไม่ได้อธิบายว่าเราขอกล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัญกำหนดยินดีในพบข้ามไม่ได้ คือข้ามไปไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้เก้าล่วงไม่ได้ล่วงเลยชาติชราและมรณะไปไม่ได้คือไม่ออกไม่สลัดออกเก้าไม่พ้นไม่เก้าล่วงไม่ล่วงเลยชาติชราและมรณะหมุนวนอยู่ภายในชาติชราและมรณะภายในหนทางแห่งสงสารคือไปตามชาติชราติดตามพญาทีครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีที่หล็กเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาใยรวมความว่าเราขอกล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันเป็นผู้กำหนัดยินดีในพบข้ามชาติและชราไปไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณ ะ, ะชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายัญ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 ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามชาติและชราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุสสยโลกข้ามชาติและชราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด คำว่าถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามไปไม่ได้อธิบายว่าชนเหล่านั้นผู้บูชายันประกอบการบูชายันเป็นผู้กำหนดยินดีในภพข้ามไม่ได้คือข้ามไปไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ล่วงเลยชาติชรลาและมรณะไปไม่ได้ได้แก่ไม่ออกไม่สลัดออกก้าวไม่พ้นเมื่อก้าวล่วง ไม่ล่วงเลยจากชาติชาาและมรณะคือหมุนวนอยู่ภายในชาติชาาและมรณะภายในหนทางแห่งสงสารคือไปตามชาติชาาติดตามพญาทิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาัยรวมความว่าถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามไปไม่ได้ คำว่าดังนี้ในคําว่าท่านปุณกะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิท่านปุณกะคําว่าด้วยยันทั้งหลายในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข้ามชาติและชราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายได้ แ, แก่ด้วยยันเป็นอันมากด้วยยันชนิดต่างๆด้วยยันมากมายคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกเป็นคากล่าวด้วยความรัก เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข้ามชาติและชาราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชาราได้อธิบายว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ข้ามได้คือข้ามไปได้ข้ามพ้นไปได้ก้าวล่วงไปได้ล่วงเลยชาติชราและมรณะไปได้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคาว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกนี้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 ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้น e ด้วยเถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัติคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศด้วยเถิดรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงทูลถามว่าท่านปุณณะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัน ข้ามชาติและชราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระภาคตรัสตอบว่าปุณณะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความวันไหวในโลกไหนไหนเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วคำว่าเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกอธิบายว่าญาณตรัสเรียกว่าสังขาร ได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้นคําว่าฝั่งนี้และฝั่งโน้อนอธิบายว่าอัตภาพของตนตรัสเรียกว่าฝั่งนี้อัตภาพของผู้อื่นตรัสเรียกว่าฝั่งโน้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของตน ตรัสเรียกว่าฝั่งนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของผู้อื่นตรัสเรียกว่าฝั่งโน้นอายตนะภายในตรัสเรียกว่าฝั่งนี้อายตนะภายในหตรัสเรียกว่าฝั่งนี้อายตนะภายนอกหตรัสเรียกว่าฝั่งโน้นมนุสยโลกตรัสเรียกว่าฝั่งนี้เทวโลกตรัสเรียกว่าฝั่งโน้น การมาธาตุรัสเรียกว่าฝั่งนี้รูปธาตุอรูปธาตุรัสเรียกว่าฝั่งโน้นการมาธาตุรูปธาตุรัสเรียกว่าฝั่งนี้อรูปธาตุรัสเรียกว่าฝั่งโน้นคําว่าเพราะทราบชัด ฝ, ฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกอธิบายว่าเพราะทราบชัดคือเพราะรู้ทราทบเทียบเคียงพิจรารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งฝั่งนี้และฝั่งโน้น โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกสรเป็นของที่ต้องสลัดออกไปรวมความว่าเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกคำว่าปุลนกะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณนกะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพราหมนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นคำกล่าว้ดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณ ก, กะคำว่าบุคคลใดในคำว่าบุคคลใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนไหนได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่าความหวั่นไหวได้แก่ความหวั่นไหวเพราะตัณหาความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ ความวันไหวเพราะมานะความวันไหวเพราะกิเลสความวันไหวเพราะกามความวันไหวเหล่านี้ไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่บุคคลใดได้แก่ท่านละได้แล้วตัดขาดแล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วควาว่าไหนนได้แก่ไหนน คือที่ไหนไหนไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าบุคคลใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนไหนว่าด้วยผู้สงบปราศจากขวันคําว่าเป็นผู้สงบในคําว่าเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบ ปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโมหะคือเป็นผู้สงบแล้วเข้าไปสงบแล้วสงบเย็นแล้วดับแล้วระงับแล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผา ดับปราศจากสงบประงับโกธะอุปนาหะมัคคะปลาศะอิสามัชเรยะมายาสาเถยยะธัมพะสารัมภะมานะอติมานะมทะปมาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลภิสังขารทุกประเภท รวมความว่าเป็นผู้สงบคำว่าปราศจากควันอธิบายว่ากายทุจริตพระอรหันตขีนาศกระจัดได้แล้วคือกําจัดทําให้แห้งทําให้เหือดแห้งทําให้หมดสิ้นไปได้แล้ววจีทุจริตมโนทุจริตพระอรหันตขีนาศกระจัดได้แล้วเพื่อกําจัดทําให้แห้งทําให้เหือดแห้งทําให้หมดสิ้นไปได้แล้ว ราคะโทสะโมหะพระอระหันตขีนาศพกระจัดได้แล้วกําจัดทําให้แห้งทําให้เหือดแห้งทําให้หมดสิ้นไปได้แล้วโกธาอุปนาหะมะัคคะปลาสะอิจามัชยริยะมายาสาเถยะถามภะสารัมภะมานะอติมานะมทะประมาทะยิเลทุกชนิดทุจริตทุกทาง ความกระวงกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทพระอระหันตขีนาศกจัดได้แล้วเกื่อกำจัดทําให้แห้งทําให้เหือดแห้งทําให้หมดสิ้นไปได้แล้วอีกในหนึ่งควันตรัสเรียกว่าความโกรธสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพราหมท่านมีมานะเป็นเครื่องหาบ มีความโกรธเป็นควันมีความบึงคนพูดเท็จเป็นเท่ามีลิ้นเป็นทับพีมีหัวใจเป็นที่บูชาไฟตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุษว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความโกรธสิบอีกในหนึ่งความโกรธย่อมเกิดเพราะเหตุสิบอย่างคือหนึ่งเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสองเพราะสำคัญว่า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 ความโกรธเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุนเคืองเรืองเรืองมากเรืองตลอด ช, ชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษรา้ายิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความโกรธอีกานหนึ่งพึงทราบความโกรธมากความโกรธน้อยบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ใจขุ่นมัวยังไม่ถึงกับทำหน้าเงาหน้างอก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทาให้หน้าเงาหน้างอ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 แต่ยังไม่ถึงกับเงือเงื้อไม้และมีดที่ถือไว้ก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้เงือเงื้อไม้และมีดแต่ยังไม่ถึงกับลงมือฟาดฟันก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ฟาดฟันแต่ยังไม่ถึงกับทำให้เกิดบาดแผลก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้เกิดบาดแผลแต่ยังไม่ถึงกับทาให้กระดูกหักก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทาให้กระดูกหัก แต่ยังไม่ถึงกับทำให้อวัยวะขาดหลุดไปก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้อว er ัยวะขาดหลุดไปแต่ยังไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิตก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ยังไม่ถึงกับทำให้ดำรงอยู่เพื่อฆ่าตนเองก็มีเมื่อใดความโกรธทำให้ฆ่าบุคคลอื่นแล้วฆ่าตนเองเสียด้วยเมื่อนั้นความโกรธเป็นไปรุนแรงมาก ถึงความเป็นสิ่งร้ายแรงอย่างยิ่งความโกรธนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าปราจาควนชื่อว่าปราจาควนเพราะเป็นผู้ละความโกรธได้แล้วชื่อว่าปราจาควนเพราะเป็นผู้กาหนดรู้ที่ตั้งแห่งความโกรธได้แล้ว ชื่อว่าปราชาควันเพราะเป็นผู้เข้าไปตัดเแทแหงความโกรธได้แล้วคำว่าไม่มีทุกข์อธิบายว่าราคะเป็นทุกข์โทสะโมหะโปทะอุปนาหะอากุชลาพิสังขารทุกประเภทเป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้ว ผู้นั้นตรัสเรียกว่าไม่มีทุกข์คำว่าไม่มีความหวังอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะความหวังคือตัณหาเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว ผู้นั้นตรัสเรียกว่าไม่มีความหวังคําว่าชาติได้แก่การเกิดคือการเกิดขึ้นการก้าวลงสู่ขันการบังเกิดความบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการได้อายจตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคําว่าชราได้แก่ความเกิดคือความสุดโสมความเป็นผู้มีฟันหักความเป็นผู้มีผมหงอก ความเป็นผู้มีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความแก่ ง, ง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคำว่าเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วอธิบายว่าเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนก ทำให่ง่ายประกาศว่าเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังข้ามได้คือข้ามไปได้ข้ามพ้นไปได้ก้าวล่วงไปได้ล่วงเลยชาติชารามรณะไปได้รวมความว่าเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชาราได้แล้วด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความวั่นวายในโลกไหนไหนเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควัมไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วพร้อมกับการจบคาถาปุณณะมานพประคองอัญเชลี